แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าสยองขวัญเจอดีผีกองกอยสวัสดีครับพี่พี่ทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อนิวเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่สัมผัสเรื่องราวลี้ลับมาตั้งแต่เด็กๆจากการบอกเล่าของพ่อแม่ปู่ย่าตายายบ้างแต่ก็ไม่เคยเจอผีตัวเป็นๆ เ, เลยสักครั้งจนเมื่อประมาณแปดปีที่แล้ว ผมได้เจอกับสิ่งประหลาดอย่างหนึ่งที่คนเฒ่าคนแก่เรียกกันว่าผีอกองกอยทําให้ผมรู้ว่าผีกองกอยที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆจากการบอกเล่าของปู่ย่าตาไยนั้นไม่ใช่นิทานแต่มันเป็นผีที่มีตัวตนอยู่จริงในวันนั้นพี่โกรซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่บ้าน ใ, น ใ, น ใ, ใกล้ๆ ก, ก, กันมาชวนผมว่ากลางคืนจะพาไปล่าสัตว์ในป่าซึ่งเป็นป่าที่อยู่หลังไร่ข้าวโพดของแกบนเขาผมจึงตกลงจะไปด้วย เพราะโดยส่วนตัวกขาชอบหาของป่าและล่าสัตว์อยู่แล้วกลางวันจึงเตรียมตัวจัดหาโคมไฟดวงใหญ่ที่ใช้ติดตรงหน้าผากซึ่งเป็นโคมไฟที่คนชอบไปไร่ไปนาใช้กันในตอนกลางคืนแล้วก็เตรียมย่ามสะพายมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการล่าสัตว์ส่วนพี่โกก็เตรียมสัมภาระเช่นเดียวกับผมแต่สิ่งที่แกจะขาดไม่ได้ก็คือปืนแกป๊ปที่ใช้ยิงสัตว์ป่าพอตกค่ําพวกเราก็ออกเดินทางกันไปเพียงสองคนมุ่งหน้าไปที่ไร่ของพี่โกก่อน ซึ่งไร่ของชาวอีสานส่วนมากจะอยู่บนเขาที่ไม่สามารถใช้รถขึ้นไปได้ต้องเดินด้วยเท้าอย่างเดียวเส้นทางที่ลาดชันเต็มไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่มองไปรอบๆเห็นความมืดสลัวๆเพระยังมีแสงจันทร์ส่องลงมาให้เห็นทางอยู่เสียงนกกาที่บินกลับเข้ารังมันส่งเสียงร้องเจ้๊เจ้าระควรไปกับเสียงมแมลงเล็กน้อยต่างๆที่ร้องเสียงดังเซงแซ่ซึ่งผมกับพี่โกก็ชินกับเสียงพวกนี้และบรรยากาศเหล่านี้เป็นอย่างดี เขาจะชอบขึ้นมาบนเขาตอนกลางคืนเพื่อล่าสัตว์อยู่บ่อยๆแสงไฟจากโคมส่องให้เห็นทางชัดเจนทางที่คุ้นเคยทําให้เราสองคนเดินถนัดจนผ่านไปนหนึ่งชั่วโมงก็ถึงที่ไร่ของพี่โกเราสองคนก็เลยเดินเข้าไปพักเหนื่อยในกระท่อมเล็กๆบนไร่อยู่สักพักจากนั้นพี่โกก็พาเดินมาที่หลังไร่แกบอกว่าถ้าเดินลึกเข้าไปอีกจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากทําให้มีสัตว์ป่าจํานวนหนึ่งผมรู้สึกตื่นเต้น เพราะบริเวณที่พี่โ ก, โกแกว่าผมไม่เคยเข้าไปเลยสักครั้งเพราะเป็นป่าที่ลึกเอามากๆหากใครที่ไม่คุ้นทางอาจจะทำให้หลงทางได้เราสองคนต่างก็เดินฝ่าดงไม้อันหนาทึบเข้าไปตามทางพี่โกจะเดินนำหน้าเพราะแกเคยเข้ามาแล้วส่วนผมเดินตามหลังไปเรื่อยๆจนได้ยินเสียงเหมือนกับน้ำไหลพี่โกป่าถวนี้มันมีลาธารด้วยเหรอผมถามด้วยความสงสัย มีสิวะเป็นลำธารไม่ใหญ่มากหรอกอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละเดี๋ยวก็ถึงแล้วพวกเราพากันเดินไปประมาณ1ิบนาทีเท่านั้นก็ถึงตรงลำธารพอดีเราต้องข้ามลำธารไปหรือเปล่าพี่ผมพูดพรางก็ใช้โคมไฟส่องเห็นน้ำลำธารใสแจ๋วเออสิวะถามได้พูดมากนะมึงตามกูมาพี่โกเอ็ดเบาๆพรันก็เดินนำหน้าไปเพื่อจะข้ามลาธารแต่ในระหว่างนั้นเองผมกับพี่โก ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแทรกเข้ามากับเสียงน้ำไหลมันดังไกไกไกเราสองคนหยุดชะ ง, งักทันทีพี่โกหันมาถามผมเบาๆมึงได้ยินเสียงอะไรเปล่าวะได้ยินพี่แล้วมันเสียงอะไรอะ่ะผมพูดพรานก็มองไปรอบๆแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรสักพักเสียงไกไกไกมันดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆ พี่โกทำท่าทางลนลานก่อนวกลกลับมายัางทางเดิมและดึงแขนผมให้ตามไปด้วยเราวมือมือหลบก่อนทำไมพี่ผมถามงงๆงงแต่ก็เดินตามพี่เข้าไปเสียงแบบนี้กูไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามันอาจจะเป็นสัตว์หรือตัวอะไรก็ได้กูไม่อยากเสี่ยงหลบก่อนหลบก่อนให้มันผ่านไปก่อนเราค่อยเดินข้ามไปพี่โกพูดพลางหาที่หลบซึ่งมีกอไผ่ขนาดใหญ่อยู่ไม่ห่างจากลำธารมากนักแม้จะมีความมืดปกคลุม แต่ก็พอทำให้เห็นอะไรได้บ้างเพราะแสงจันทร์ข้างขึ้นส่องลงมากระทบลอดผ่านกิ่งไม้พอให้เห็นลำทานสลัวสลัวปิดไฟก่อนมึงเดี๋ยวสัตว์มันตื่นพี่โก๋สั่งให้ผมปิดไฟจากโคมไฟโดยด่วนซึ่งผมก็ทำตามแล้วพวกเราก็รอดูกันว่าเสียงประหลาดที่ว่า น, นั้นมันคือตัวอะไรกันแน่ก๋อยก๋อยก๋อยคราวนี้เสียงมันดังใกล้เข้ามามากราวกับว่ามันมาถึงตรงลำทารแล้ว ผมกับพี่โกลคอยแอบมองอยู่ไม่ค่าสายตาแต่สิ่งที่เห็นคือมันตัวอะไรสักอย่างมืดมืดดำๆกระโดดมาจากอีกฝั่งของป่าแล้วมาหยุดตรงลำธารตอนนั้นผมกับพี่โกยังมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่เห็นแต่ว่ามันเป็นสีดำใหญ่ๆกระโดดลงในลำธารแล้วก็ก้มๆเงยๆเหมือนจะหาอะไรบางอย่างพี่พี่มันตัวอะไรอะ่ะผมกระซิบเบาๆอูก็ไม่รู้มันเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ น้ำเสียงของพี่โก้ก็ยังเต็มไปด้วยความสงสัยเช่นกันแต่เราก็ยังเฝ้ามองมันไปเรื่อยๆซึ่งเวลามันกระโดดทีไรก็ดังกอยกอยกอยตัวอะไรมันร้องแบบนี้บ้างวะมึงรู้ป่ะพี่โก้กระซิบถามผมบ้างผมนึกไม่ออกเหมือนกันพี่มึงอยากเห็น ช, ชัดๆป่ะเผื่อเป็นหมูป่าจะได้จาัด ก, การมันสะทีเดียวไม่ต้องเสียเวลาข้ามไปป่าอีกฝังพี่โกหันมาถามผมอีกครั้งเหมือนจะหาแนวร่วม หมูป่ามันร้องแบบนี้หรอพี่เพิ่งเคยได้ยินผมก็ยังถามแกอยู่เพราะความสงสัยเออน่ะมันอาจจะเป็นหมูป่าหรือเป็นอย่างอื่นก็ได้ถ้าได้นะมึงเฮ้ยขายได้หลายพันเลยน้ําเสียงแกดูตื่นเต้นมากสักพักพี่โกลก็พาผมไปหลบตรงโขดหินขนาดกลางที่อยู่ติด ก, กับลาําธารแล้วทีนี้ก็จะเห็นมันชัดกว่าเดิมเพราะแสงจันทร์ตอนนี้ส่องจ้าลงมาตรงลําธารพอดีเราค่อยๆขยับตัวกันช้าๆอย่างเงียบที่สุดเพื่อไม่ให้มันได้ยินเสียง ผมกับพี่โกก็เห็นแค่ด้านหลังของมันเท่า น, นั้นขนที่หยาบดําทั้งตัวแสดงให้เห็นว่ามันต้องเป็นสัตว์ป่าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็แค่สันนิษฐานเพราะมันยังไม่หันหน้ามามันอยู่ในท่านั่งยองๆเหมือนจะหาอะไรในลานําธารพี่โกก็ยังเชะเง้อมองอยู่ไม่คลาดสายตาแกกระบน่นพึมพำกับผมว่ามันตัวอะไรเป็นแน่คราวนี้แกก็สันนิษฐานไปต่างๆนา น, นานว่าอาจจะเป็นหมีบ้างละเป็นเลี้ยงบ้างละ แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่อะไรสักอย่างที่แกว่ามาแต่ก็ยังเฝ้าดูไปเรื่อยๆมันก็ยังไม่หันมาสักทีด้วยความที่พิโกแกเป็นคนใจร้อนแกบอกว่าไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรถ้าได้ไปแล้วก็ต้องขายได้ราคาแน่ๆเพราะมันเป็นสัตว์ป่าแกจึงให้ผมใช้ไฟสองไปยังตัวที่ว่านี้เพื่อแกจะใช้ปืนแก๊บยิงตรงที่หัวของมันผมก็ได้แต่ทําตามคําสั่งก็เลยถอดโคมไฟออกจากหัวและเปิดไฟจากนั้นก็ส่องไปยังเป้าหมาย ขณะที่พี่โกก็เตรียมตัวในท่าจะยิงพร้อมทันทีที่แสงไฟกระทบไอตัวที่มีขนมันหันมาแลวยืนขึ้นผมแทบช็อกเพราะมันไม่ใช่สัตว์มันคือปีศาจหน้ามันคล้ายกับลิงดวงตาของมันใหญ่มากถลนออกมานอกเบ้าทั้งสองข้างปากของมันที่ใหญ่จนจะฉีกเท่าถึงรูหูเประเปื่อนด้วยเศษปลาดิบเขี้ยวของมันแหลมยาวโผลออกมาเป็นแผงผมยาวรุงรัง มือข้างหนึ่งของมันยังถือปลาเป็นๆที่จะตายแหลมิตายแหลขาใหญ่ยาวของมันที่มีเพียงข้างเดียวกระโดดพุ่งเข้ามาหาเราสองคนที่หลบอยู่โขดหินเสียงของมันก็ยังร้องดังก๋อยก๋อยก๋อยพี่โกลั่นไกปืนทันทีแต่ก็พลาดเพราะความกลัวไปถูกอ่วพี่โกออกปากด้วยความผวาแล้ววิ่งหนีออกจากตรงนั้นโดยเร็วผมก็เหมือนกันต่างคนต่างวิ่งไม่คิดชีวิตเพื่อกลับไปเส้นทางเดิมจนแน่ใจแล้วว่า วิ่งมาไกลพอสมควรเพราะมันถึงไร่ของพี่โกแล้วเราสองคนมาพักเหนื่อยในกระท่อมแล้วก็ใช้ไฟส่องไปยังทางที่มาก็ไม่ปรากฏเห็นปีศาจนั่นอีกแต่ก็ยังไม่ไว้ใจจึงออกความเห็นกันว่าควรจะกลับบ้านเปซะเดี๋ยวนี้เพราะมันอาจจะตามมาทันพวกเราจึงรีบเดินกึ่งวิ่งกลับเส้นทางลงมาที่บ้านจนปลอดภัยในที่สุดเมื่อมาถึงบ้านแล้วผมรีบเข้าบ้านทันทีน้ำท้าไม่อาบเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนแม่ก็ถามผมว่าทำไมกลับมาเร็ว ผมก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังซึ่งแม่ก็บอกว่าปีศาจ ท, ที่เห็นนั้นมันคือผีกองกอยเพราะมันชอบออกมาในตอนกลางคืนเพื่อหาปลากินตามลำธารจุดเด่นของมันคือมีขาเดียวแล้วพอกระโดดมันจะร้องก่อยก่อยก่อยไปด้วยซึ่งตรงกับลักษณะทุกอย่างที่ผมเห็นแม่บอกว่าถ้าผมกับพี่โกรหนีไม่ทันมันจะทาร้ายและจับกินเป็นอาหารได้ผมจึงได้รู้ว่า ไม่ใช่แค่ในสมัยโบราณที่มันมีผีชนิดนี้แต่ในยุคสมัยปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่โก้ก็ไม่เคยชวนผมไปล่าสัตว์ในป่าอีกเลยแล้วคุณละ่ะรู้จักผีกองกอยหรือเปล่ามาเล่าให้เราฟังได้นะครับหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ